วันนี้เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งทางราชการก็มีการปิดเพอเป็นวันสําคัญวันสําคัญนั้นก็สําคัญสําหรับท่านคือสาคัญเป็นวันพระพุทธเจ้าแสดงปรถมเทศนาประกาศศาสนาวันแรกและเป็น วันที่พระรัตนกัยพบคือมีพระสงฆ์อริยสงฆ์เกิดขึ้นตอนที่พระพุทธเาจ้าตรัสรู้ใหม่ๆก็มีแต่เพียงพระธรรมและพระพุทธสององค์เท่านั้นยังไม่มีพระสงฆ์เป็นพยานขึ้นแต่วันนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมแก่ภาพเด่นแก่รัตตีทั้งห้ามีอัญญะควอัญญาควรทัญญาเป็นหัวหน้าของปัญจลัตตี การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นท่านก็แสดงพระธรรมจกจากสภาวัฒนสูตรซึ่งพวกทิสูสามเณรได้สวดไปจกในที่นี้นี่เป็นการแสดงธรรมประชมอเทสนาแต่ผู้ตั้งหน้าตั้งตา ก, กำหนดที่จะรณนานาตามฟังธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นัญญาโกนัญญะท่านได้ดวงตาเห็นธรรม คือได้รู้ได้เห็นตามเนจริงในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนการเห็นธรรมของอัญญากนธัญญานั้นก็ไม่เห็นอื่นไกลอะไรเห็นจริงที่เคยเห็นเคยเป็นอยู่แต่จิตใจของพวกเราชั่นเห็นแล้วมันหลงมันรู้หลงๆไม่รู้จริงอย่างพระอัญญากนธัญญานั้นรู้ มันจึงกลับกรอกหลอกร้อนให้ทุกข์ให้โทษแก่ตนอยู่ตลอดเวลาส่วนอัญญาควทัญญาถันรู้ถันรู้ว่าสิ่งใดสิงหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีการแตกดับเป็นธรรมดานี่เป็นความรู้เกิดขึ้นจากจิตไม่ใช่เกิดขึ้นจากความสุ่มเดาผาดชเนเ อ, เอาถ้าคนทุกคนรู้เห็นในอาจทำอย่างนั้น การร้องไห้เสียใจที่ลายลำพันธ์ต่างๆจะหมดไปเพราทราบว่าสิงใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการแปกพวนและแตกสลายเป็นธรรมดาความติดข้องในจิตในใจจะไปยึดมั่นสําคัญหมายในสิ่งอันนั้นย่อมหลุดไปถอนไฟเป็นธรรมดาพอ ร, รู้พอเห็นเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นเมื่อสิ่งที่รักที่ชอบใจของตัวล่วงลับดับไปจึงไม่มีการเสียใจร้องไห้ เพราะทราบว่าการเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีการแปลงวนมีพวกเราท่านก็ทราบกันว่ามีการเกิดแล้วก็มีการตายแต่มันไมทราบเขาไปถึงจิตถึงใจจริงจังถ้ามันทราบเขาไปถึงจิตถึงใจจริงจังนั้นมันม่เป็นอย่างนั้นมันจะเห็นเป็นธรรมดาเหมือนสิ่งทั่วไปที่เราเคยเห็นเคยเป็นอยู่การเกิดการตายการสิ้หายในสิ่งที่เรารักเราชอบใจ ห่วงเห็นเอาไว้ก็ทํานองเดียวกันกับสิ่งทั่วไปที่เรารู้เราเห็นนี่เตือใจของท่านที่บําเพ็ญทางธรรมะรู้เห็นเข้าใจชัดเจนพระพุทธเจ้าจึงรับรองพระอญญ น, นยากลทัญยะว่าฉันรู้แล้วเห็นแล้วถูกต้องแล้วและอัญญากรทัญยะเองเมื่อเห็นเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตใจของท่านจะวนเรศสงสยัย ในสิ่งต่างๆทั่วไปนั้นก็ไม่เป็นไปอีกความจริงเป็นอย่างไรเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นนี่คือการได้ดวงตาเห็นธรรมดองน้นโดยการฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าสอนธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นปฐมเทศานานี้คือสอนแต่เฉพาะนักบวชเฉพาะที่สุใน่ไดสอนฆราวาสเพราะสอนสอนอยู่ในป่า ยิ่สิปัตน า, านิชตาโยาวันเจเมืองพาราณสีพวกบรญจวชีทั้งห้าบวชก่อนพระศาสดาของเราคือบวชก่อนพระพุทธเจ้าเพราะพวกฌามเหล่านี้เคยทำนายทายทักพระพุทธคิทธากุมารบ่าเจดีออกทรงฟาดหนวดแล้วได้ตัดศรู้เป็นพระพุทธเจ้าเลยออกไปบวชคอยได้ก่อน การบวชสมัยนั้นก็บวชเป็นลีวสีสีภัยธรรมดาไม่ได้บวชเอหิปิคุหรือไม่ได้บวชอย่างถ้าสมัยปัจจุบันซึ่งยติจจตุธ้ตามอย่างนี้คือยังไม่มีาศาสนาพุทธเกิดขึ้นมีแต่าศาสนาอื่นใครเลื่อมใจศรัทธาในลัทธิใดก็ถือกันไปลัทธิในสมัยนั้นมีมากที่เขานับถือกันว่าดีอย่างนั้นเด่นอย่างนี้ แต่พระพุท ธ, ธเจ้าฤทธิ์ศัทธาของของเราที่เป็นพระพุทธเจ้าของเราท่านเสด็จทองขหนวดแล้วท่านไม่ได้ลหลงไหลในรัฐที่ต่างๆไปศึกษาดูเหมือนกัน้ทาที่ออกบวชใหม่ๆกับอาลาละดาบทและอุทะกาดาบทสองฤทธีนี้ที่ดังว่าเป็นฤทธิสํำเร็จเป็นอาหาัตอาหาหัน ไม่มีอะไรส่จะคล้องจิตในจิตใจของท่านประชาชนทั่วไปในเขตนั้นเลื่อมใสศรัทธาถือว่าเป็นผู้ดีวิเศษพระองค์ก็ทรงไปศึกษาแต่การไปศึกษาของท่านด้วยอำนาจพระปัญญาบารมีของท่านเฉียบแหลมฉลาดมากศึกษาอยู่ไม่นานก็ได้สำเร็จวิชาของฤาษีทั้งสองนั้นฤาษีทั้งสองนั้น ตามตำรับตำรากล่าวว่าท่านได้สมาบัตแปดพระพุทธเจ้าทรงไปศึกษาทำตามที่จะตามจนรู้จนเห็นเรื่องสมาบัตทั้งแปดได้ชัดเนจนแต่เห็นว่าเป็นเรื่องสมาบัตเหมือนกันกับหินทับหญ้าเวลายกหินออม อ, อะไรหญ้า ก, ก็งอกขึ้นได้ ยังไม่ใช่ทางตัดสูุจริงจังแต่ฤาษีทั้งสองที่เป็นอาจารย์นั้นไม่ทราบเข้าใจว่าตัดสู้แล้วหมดแล้วเรื่องกิเลสปัญหาเพราะจิตเข้าในสมาบัติลางับดับกิเลสได้ระยะที่อยู่ในสมาบัติแต่เมื่อถอดถอนออกมาจิตก่อมีการปุ่งจงติดข้องเป็นธรรมดาแต่ก็เข้าไปอีกทำอยู่อย่างนั้น ั่นเลยไม่พอพระไทยเลยออกไปแสวงหาวิโมกขธรรมเฉพาะพระองค์เองได้ทำความเคียนอย่างเดี่ยเดี่ยวอาหารอดนอนผอนอาหารไม่รับเสวยอะไรเป็นเวลาระยะนานอย่างรูปในทุกการคิริยาที่พวกเราเคยเห็นกันจนเหนื่หอหนังแห้งไปหมด เพื่ออยากจะตัดสรุ้แต่ก็ไม่ได้สมความปรารถนาของพระองค์จนได้คตินิมิตขึ้นมาจากการภาวนาการทำความเพียรว่ามีพินสามสายมีพระอินนําพินสามสายมาดีดให้พระองค์ฟังนี่เป็นสตินิมิตทางบุคลาพิธฐานแต่ความจริงแล้วเป็นเรื่องธรรมมาทิธฐานคือ การที่นิพพิจรารณาอยู่นั้นจิต ข, ของท่านบ่งบอกออกมาได้ทราบว่าการทำความเพี้ยนที่ไม่หลับไม่นอนไม่สเสวยอาหารเลยนี้ไม่มีทางเยอะอร่างกายที่เป็นอยู่ด้วยอาหารมันก็จะต้องตายไปแล้วเมื่อตายตายไปจะเอาอะไรบำเพ็ญคุณางามความดีทำแบบนี้เหมือนสายพี้ยนที่ตึงเกินไปพอดีดเข้าเขานั้นก็ขาดไม่สามารถที่จะให้คนอื่นได้สดับรับฟัง นี่แข่งเกินไปมันผิด่านก็เลยว่าสายที่มันหย่อนเกินไปคดีดมันไม่ขาดจะมันไม่ดังไม่มีใครที่จะชอบฟังเช่นแล้วชอบความสุขอยากกินเวลาใดก็กินอยากนอนเวลาใดก็อนอนอยากคิดอยากฟุงอะไรก็ทำไปตามอําเภอใจเราแต่ก่อนเก่ายังไม่ออกมาผนวดเราเคยกระทามาเพลินมาแล้วแบบนั้น แต่ก็ไม่มีอะไรที่เป็นอัศจรรย์ที่ได้ตัดสรู้นี่คือสายที่ย่อนเกินไปไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ให้จะทําอย่างไรจึงจะเหมาะสมคือปฏิบัติสายกลางมัดสิมาไม่ตึงเกินไปไม่ย่อนเกินไปท่านคิดได้อย่างนั้นก็เลยปองพระไทยฉันจังหันฉันอาหารปัญจวัคคีเห็นเข้าว ไม่พอพัดใจไม่พอใจเลยหลีกนี้ไปก็เป็นโอกาสเวลาที่พระองค์จะได้บาเพ็ญภาวนาวิเวกแต่เฉพาะตัวพระองค์ก็ทำความเพียรอยู่นั้นผลที่สุดในวันมีสาขาบูชาคือเพีเรยนห ก, กด้ตัดสรุ้จากนั้นก็เสวยริมุตติสุขคือไม่ ย, ยอมนอนไม่ ย, ยอมเสวยอาหารอยู่ตั้งสี่สิบเก้าวันอยู่ได้ด้วยอำนาจจิตใจ สุอื่นดีติในสอาดในธรรมอยู่ได้ทนทานได้เพราะใจมันสบายใจมันเป็นสุขใจมันอัศจรรย์ที่เคยเห็นเคยเป็นมาเก่าก่อนผ่านไงอยู่เป็นระยะเวลาต่างที่สิบเก้าวันเดินจงกรมทั้งกลางวันกลางคืนในยอมนั่งในยอมนอนในเกตวันเกตคืนนั่งก็เหมือนกันในยอมลุกจากที่ไม่มีการขี่กันยูเหมือนพวกเรา ได้ตังเจ็ดวันเจ็ดคืนยืนก็นได้เจ็ดวันเจ็ดคืนจะเปลี่ยนกันไปเป็นเจ็ดปละเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าพุทสี่สิบเก้าวันแต่พระองค์ทําอยู่นั้นก่มาละลึเลกเมื่อเชิดว่าทำขี่เรารู้เราเห็นนี้ปกติธรรมดาของผู้ทุชนคนหนาไม่มีคว า, ามสามารถที่จะประพฤติปฏิบัตริรู้เห็นเป็นขึ้นได้เพราะธรรมนี้สุ ข, ขุมละเอียดอ่อนมากพระองค์ก็อยากจะติดพระโอษไม่อยากจะสอนใคร อยากจะปไินิพพานไปด้วยพระองค์เองแต่อา น, นาจบาตรนาบุญบารมีสิทวยสะสมมาเก่าก่อนได้ลแล้วลึกนึกขึ้นถ้าหากเราจะเอาตัวรอดแต่คนเดียวสมัยก่อนที่เราเป็นดาบด์คุณเมื่ถ้าดาบดนั้นถ้าหากเราจะเป็นคนเอาตัวรอดคนเดียวเราไปแล้วนี่เราได้บาตรศนาเพื่อจะลื้อขนสัตว์จากโลก ทรงมีพระกรุณาาีิคุณในจิตในใจก็เราเล่าใครมาเนะมาสอนให้เราเป็นอะไรทำไมเราถึงรู้ถึงเข้าใจในอัตในคำเมื่อเรารู้ได้คนอื่นเขาก็จะไปเมาว่างจะโง่ทั่วไปหรือก็อาจจะมีคนมีบุญพอที่จะพิจารณาอาทำได้เหมือนกันเมื่อพระองค์ทรงทพิจารณาอย่างนั้นก็เลยคิดถึงดาบท ทั้งสองถึงเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสอนทำให้เมื่อออกบวดใหม่ๆแต่ถ้าองค์ทรงมีญาณเจ้าบ่าดาบวบททั้งสองท่านได้สิ้นไปแล้วตายไปแล้วองค์หนึ่งตายไปหมือวันบานนี้องค์หนึ่งตายวัน น, น, นี้ก็เลยหมดอะไรที่จะไปเนี่ยสอนให้เลยคิดว่หาหากเขาเหล่านั้นยังอยู่เราไปพูดธรรมะให้เขาฟัง ยังนิดหน่อยเท่านั้นก็จะทราบถึงอาจถึงทำที่เรารู้เราเห็นเพราะพวกเหล่านี้มีสติปัญญาพอสมควรแล้วเหมือนดอกบัวที่พ้นจากน้ำแล้วมีแต่คอยแสงพระอาทิตย์เท่านั้นถ้าทรอาทิตย์ถูกต้องเมื่อใดก็จะแยมบานออกเหมือนนั้นนี่พระองค์พิจรารณาถึงดาบททั้งสองเมื่อเขาได้ตายไปแล้วก็เลยทอดอะไรคิดหาคนใหม่ จึงไปคิดเห็นวกปัญจวัคคีทั้งห้าพระองค์จึงเสด็จไปสอนสี่ป่าอิสิปตนะคือสอนในวันนี้เทศในวันนี้ปฐ ม, มเทศนาพอสอนก็ได้พระ อ, อัญญาปลธัญญะซึ่งเป็นหัวหน้าของปัญจวัคคีได้รู้ได้เห็นทำตามพระ อ, องค์จึงเรียกว่าเป็นวันสําคัญคือวันปฐ ม, มเทศนาและเป็นวันที่พระราชนาจัยครบสามคือ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในวันนี้แต่นั้นพวกเราท่านที่อุตสาหากันมาจากสถานที่ต่างๆมาเพื่อสักการะบูชาพระรันตนใจระลึกนึกน้อมถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งทั้งสามรัตนนี้เป็นสิ่งที่มีสาระคุณค่ามากหากพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นไม่ได้ตัดสู้ทำพระสงฆ์ ก็ไม่มีขึ้นในโลกเมื่อมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่อย่างนี้เราผู้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาถ้าหากไม่ประมาทรีบเลี่งถือโอกาสที่นี้พิจารณาปฏิบัติธรรมเราทุกคนก็จะเด้ยรู้ได้เห็นอาจธรรมชัดเจนอย่างพระพุทธเจ้าหรืออริยสงฆ์ถ้าหากเราประมามังวเมาไม่ว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้ารินิพพานไปแม่พระองค์ยังทรงพระสนอยู่จะมานั่งบา เทศใสหูของเราตลอดคืนตลอดวันด้วยอำนาจประมาทมัวเมาลุ่มหลงมหนืดอบอดของจิตของใจก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรเป็นประโยชน์อะไรเกิดขึ้นให้แต่นั้นพวกเราท่านที่ไม่ประมาทถือโอกาสมาจะททำบำเพ็ญศักระบูชาพระรัตนใจในวันนี้ก็ถือว่าพวกเราไม่มีความประมาทจึงมาได้แต่เท่ากการมาได้เพียงแค่นี้ ก็เป็นทางสุขติของใจคือความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาในสิ่งที่บริสุทธิ์คนนั้นเมื่อละลึกนึกได้ในเวลาก่อนแก่ตายก็ ม, มกีมีทางที่จะไปคือไปสู่สุขติโลกสวรรค์เพราะอานาจบุญกุศลจิตคนคนนั้นละลึกถึงสิ่งที่บริสุทธิ์นี่เป็นเพียงฝ่ายสุขติ ที่จะได้ไปกว้างดีกว่าไปทุกขติถึ่งไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์ละฉานสิ่งที่ชั่วที่เสียอย่างนั้นทุกท่านทุกคนไม่จองการไม่ศาสนาแต่เท่าว่าเมื่อเราไม่ประพฤตปฏิบัติไม่ทำบุญสุนทานไม่ไหวพระสวดมนต์ไม่เมตตาภาวนารักษาศีลอะไรอำ น, นาจที่เราทำไปคนเกิดมาจะอยู่เปล่าเปล่าไม่ได้ ไม่ทำดีมก็ทำชั่วอยู่นั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นทางดีไม่มีมันก็ไปทางชั่วของมันเมื่อไปทางชั่วแล้วจะแก้ตัวไม่ได้เพราะมันตกไปถึงที่ชั่วแล้วอยากมาทำบุญทุนทานอยากเข้าวัดเข้าว่าจำศีลทาวานาะฟังเทศฟังธรรมอย่างพวกเราท่านมาไม่ได้มาได้ก็ฟังอะไรไหนเป็นเห็นไหมพวกสัสตว์ต่างๆถึงมันมาอาศัยอยู่ในวัดในว่ า, มาแมลงสังสัง สนโยงเป็นต้นเราเทศเราทําเราหนังภาวานามันกลมารบลวงกัดกินมันไม่ทราบว่าศีลเป็นอย่างไรทำเป็นอย่างไรนี่คือพวกที่ตกไปในฝ่ายชั่วฝ่ายเสียมันเป็นอย่างนั้นนี่พวกเราท่านมีหูมีตามีใจพอจะพิจารณาอัดทําได้แต่นั้นจินได้เสื่อเราเป็นบุญเป็นกุศลระลึกนึกคิด ที่จะมาบูชาพระรัตนใจนั้นมันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสักกามาขจรสวรรค์ถ้าตายไปในขณะที่เราท่านคิดอย่างนั้นแต่มันยังไม่ถึงจุดหมายตายทางการไปสวรรค์ก็มีการเยียวยาตายเกิดอีกได้หมดบุญหมดกุศลที่ตนท่องตนสะสมเอาไว้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นอันอื่นอีกได้ฉะนั้นการไม่ประมาท ดังนาต่างช า, า, งาถือโอกาสประพฤติปฏิบัติอัดธรรมตามธรรมสี่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็มีทางที่จะแก้ไขขับไล่ที่เละสัญหาอุปาทานค้องใจให้ออกไปได้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเราแต่ก่อนที่ยังไม่มีธรรมะยังไม่รู้ไม่เห็นธรรมะท่านก็ยังหลงเหมือนกันกับพวกเราจะว่าไม่หลงอย่างไรถ้าไม่หลงท่านจะไปมี อาาตมาเหสีคือนางพิมพาไหมนักสนมตั้งห้า0มืนหกมืนท่านหลงอยู่นั้นในระยะที่ท่านหลงพอท่านออกบวชตัตรูแล้วท่านจึงมาเข้าใจเรื่องของอัดของธรรมจริงจังจึงได้มาแนะนำสัมสอนสัตว์ผัวไปสี่ข่องจิตคิดแวะในเรื่องของกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาต่างๆท่านถือว่าเป็นโทษเป็นทุกข์ เรื่องการมาสุกต่างๆคือพวกเราลุ่มหลงเพลิเพลินนั้นมันเทียบกันกับพวกของสัตว์ไม่มีอะไรผิดแปกแตกต่างกันใจของพวกเราท่านยังจิดคล่องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในทั้งผักอยู่ผัดทั่วไปซึ่งมันมีเขามีหางมันก็ลหลงไหลไฟสันเหมือนกันกันกบเราเราเป็นเพื่อนกับเขาก็ถูกถ้าหากจิตใจของเรายังส่ำยังมัวเมาเ่าฝันในเรื่องเหล่านั้น จึงไม่เหมือนจึงไม่แตลกอะไรกันกับพวกสักท์่วกปพระพุท ธ, ธเจ้าพระองค์ตรัสแล้วมาสอนปัญจวัคคีสันือว่าสิ่งเหล่านี้นำทุกนำโทษมาให้ไม่ใช่ทางที่จะไกลจากข่าศึกไม่ใช่ทางของพระอริยะเจ้าบันทาชิ์คือนักบวชไม่ควรเสกให้เว้น าาการมาสู่ขันนริกานุโยกและอัจจกินมถานุโยกคือสมัยนั้นถือกันเรื่องการทรมานตัวเพื่อจะให้กิเลสมันเหนืออแห้งไปจากจิตจากใจมีการอย่างไฟนอนบนน้ำอดอาหารไม่รับทานเลยทำไปต่างๆนะนนะเพื่อว่าจะเป็นเรื่องแก้ไขขับไล่กิเลสแต่ทำแบบนี้ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญา ทำไปเท่าไรก็ไม่มีทางที่จะรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะที่พระพุทธเจ้ารู้ได้ฉะนั้นท่านจึงถิว่าผิดทางคือทรมานตนให้ลําบากเปล่าพระพุทธเจ้าจึงสอนมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางก็ได้แฉมักแปดมักแปดนั้นพวกเราท่านที่เคยอ่านสําหรับสาราก็อาจจะทราบได้สายยนลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญานี่คือมักแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัโปโต เป็นปัญญาสัามมาวาจาส ม, มากรรมตัวสัมมาอาสีโวเป็นศีลสัามมาวายโามสา ม, มาสัิส ม, มาสมาธิเป็นสมาธิสายยนเข้ามาในใจสิกขาแต่ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานั้นถ้าหาพูดไปก็คืออยู่กับสำหรับาําราความจริงแล้วอยู่กับพวกเราท่านไม่ว่านักบวชไม่ว่าคารวะไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชาย ศีนก็คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ประพฤติผิดในทางชั่วทางเสียคนที่รักษาศีลคนนั้นอยู่สถานที่ใดไม่เป็นภัยอันตรายต่อโลกตัวของตัวเองก็สุขก็สบายเพราะเหตุใดเพอระ ล, ะลึกว่าความชั่วตัวไม่ได้ทําได้พูดเมื่อระลึกไม่เห็นความชั่วที่ตัวทําตัวพูด ก็เหมือนกันกับคนที่ไม่มีโทษก็ไม่กลัวไปสถานที่ใดไปได้สะดวกสบายไม่กลัวว่าเขาจะจับคุมคลุ่ขังเพราะเหตุว่าเราไม่มีโทษนี่จิตใจของคนที่รักษาศีลโดยบริสุทธิ์ปลอดภัยกว่าทำนองเดียวกันเป็นผู้ที่สัางงานองอาจในประชุมชนเพราะเขามีศีลบริสุทธิ์ผุดของศีลก็คือรักษากายวาจา กายวายามีอยู่ที่ไหนใครก็มีด้วยกันทางนั้นก็ควรรักษากันด้วยอํานาจที่ไม่รักษาศีลนั่นเองบ้านเมืองโลกจึงวุ่นวายเดือดร้อนกระสับกระสายมีตํารวจทหารมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆม า, าไว้รักษาบ้านเมืองนี่คือคนที่ไม่มีศีลจะมาทําลายถ้าคนมีศีลแล้วไม่ทําลายอะไรจะไปทําลายทําไม เขารักชีวิตของเขาอย่างไรรักทรัพย์สมบัติของเขาอย่างไรรักสามีภรรยาของเขาอย่างไรเรารักอย่างไรเขาก็รักอย่างนั้นถ้าไปไปพึติล่วงเกินเขาเขา้าเราก็เสียใจลูกผัวของเราไปมีแฟนใหม่ภรรยาเกิดตาดําตาแดงสึ้เสี ย, ยจิตเสียใจร้องไห้บางทีกินยาตายผูกคอตายภรรยาไปมีรู้ก็เหมือนกัน สาเมคยข่มขูลหรื่าตายนับไม่ถ้วนนี่ก็เพราะความระ ล, ลึกนึกคิดถึงจิตถึงใจของคนอื่นเอาความสุขแต่ตัวชอบอย่างไรก็ผลิตไปอย่างนั้นแต่ตรงกันข้ามถ้าหากคนของเราเป็นล่ะเราไม่ชอบเราไม่ยินดีนี่คือการเห็นอกเห็นใจของคนอื่นจึงจะรักสาสินได้ถ้าหากไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นรักษาสีนไม่ได้ไม่มีเกียรติ ตะนาวรดเว้นในจิตในใจไปขโมยเขาไม่ได้ไปฆ่าเขารักเขาไม่ได้กูาชือว่าเรามีศีลไม่เป็นอย่างนั้นคือเจตนามีอยู่ในใจทำได้อย่างพระภิกษุสามาเณรมาบวชอยู่ในวัดในวาของเราเนี่็เหมือนกันไม่ใช่ท่านทำไม่ได้ท่านทำได้หลวงตาที่พูดอยู่นี่เหมือนกันถ้าหากไม่มาบวชหรือถึกออกไปก็มีหวังในคนหนึ่งกับคนหนึ่งคงเป็นแฟนเลยแน่ แม่คนหมดหวังิีนหวังมาบวชนี่เพตุที่มาบวชมาอยู่อย่างนี้คือการรักษาศีลพอไปมาหาสู่พอทำอะไรได้เหมือนกันกันกบเขาสากจัดทํโดยอำนาจที่มารักษาศีลเป็นพระอยู่ในวัดในวานี่ก็คืออานิส ง, งส์ของศีลมีคนมาสักการะกราบไหว้บูชาจิตใจที่มีศีลมั่นคงถาวรก็ไม่หวั่นไหวมีความสุขทางใจบ่าสิ่ง สี่ขวเสียต่างๆเราไม่ได้พูดได้ทํากับเขานี่คือศีลเป็นเบื้องตนคนมีศีลทั่วโลกโลเกเยือกเยน็นไม่มีอะไรที่จะเดือดร้อนบุญวายค่ะแจ่งกันสมบัติพัสดาฐานเขาของเงินทองวางไม่ทีไหนไม่มีใครจะไปหยิบไปยกไปขโมยเอาไปเศรษฐกิจของชาติจะเป็นอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนั้นต่างชาตต่างคนทําอะไรก็มุ่งหวังอยากได้ได้มาแล้วมีคนขโมยไปเสียใจไหม จะมีใจทำขึ้นไหมถ้าหากคนรักษาศีลโดยการอย่างนั้นทำอะไรก็ทํทำเพื่อตัวของตัวได้มาแล้วก็ไม่มีใครมาขี่มาฝนมาขโมยเอาหนีตั้งคืนก่สนุกหลับนอนอิม่มหูอิ่มตาตื่นมาก็มีกำลังที่จะไปประกอบการงานนี่ไม่เป็นอย่างนั้นควายวัวหรือสัตว์อื่นเป็ดไก่นอกจากนั้นสิ่งของอยู่ในบ้านในช่องเผลอไ่ได้ เขาไปาหย่องเบาไปขโมยเอาเมื่อเป็นอย่างนั้นการงานมันก็ไม่เจริญให้กัางวันไปทํางานกั้งคืนเฝ้าสิ่งของก็ไม่มีกําลังที่จะทํางานไหนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเศรษฐกิจจิงตกไปเพราะคนไม่มีศีลถ้าคนมีศีลถั่วหน้าถั่วตากันสบายเป็นสวรรค์ฉุกโลกอันนี้นี่อันนี้ส์ของศีลปัจจุบันมันทําให้โลกเยือกเย็นหาพิจารณาแล้ว เป็นของดีของมีคุณค่าธรรมะคือศีลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสมาธิเล่าที่พระพุทธเจ้าทรงสันนิษฐานิญว่าเป็นของดีของดีเป็นหน้าที่ของพวกเราจะศึกษาก็ทำนองเดียวกันสมาธิเป็นของดีคือมีจิตตั้งมั่นไม่หล่อเละเหลวไหลทำอะไรเพื่อความสำเร็จไม่ทอดทิ้งคนที่มีความมั่นใจตั้งใจทำอะไรจริงจัง คือคนมีสมาธิแต่มิจฉาสมาธิทาไม่ดบไม่ดีแต่มันก็ชอบทำจะทำให้ได้อย่างนั้นทำผิดเรียกว่ามิจฉาสมาธิถ้าทำถูกเรียกว่าสมาสมาธิคนที่มีความตั้งมัน่นทำอะไรเป็นผลสำเร็จคนที่มีจิตเลอะแหละเล้วไหลจิตเบาเชื่องง่ายไม่จริงไม่จังให้จะเป็นพระเป็นเนียนก็ไม่ดีเป็นคารวะก็ไม่ดี เดี๋ยเขาต้มเขาตุ๋นเอาเรื่อยไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่นดีให้พอชอบใจพอจิตใจไม่หนักแน่นก็วิ่งตามเขาไปพอเบื่อก็วิ่งมาแบบนั้นถ้าเป็นผู้หญิงก็มีแฟนขั่วโลกแล้วไม่มีใครเลี้ยงดูแก่มา ก, กัวตายเปล่าๆไม่มีอะไรจะเป็นของของตัวได้ถ้าเป็นผู้ชายก็ทำอะไรการงานอะไรก็ถอดถิ่งไปเรื่อยอันนี้มันหนักอันนี้มันไม่ เด็ดไม่ดีไม่เจริญคิดแต่จะหาการงานใหม่ไปสมัครใหม่ทำเข้าไปอีกนิดนิดหน่อยหน่อยพอเห็นว่ามันยุ่งมันยากมันลำบากลำคาญทอดทิ้งไปเรื่อยแบบนั้นมันก็ไม่ดีคือคนจีนไม่มีสมาธิความหนักเนีน่ยมาบวชก็เหมือนกันอยู่บ้านอยู่ช่องฮะอยากหาจินลําบากลาคานไปบวชบิดบาทจินแล้วนอนสบายเป็นสุขพอมาบวชเข้าจิตใจมันฝั่นฝุวนอยากจะดูหนังฟังเพลงต่างๆก็ผิดพระวินยัยไปไม่ได้ ลำคาญใจคนไม่ไหวฝึกออกไปพอไปโดนการงานเขานิดหน่อยก็ว่ามันลำบากมันยากยุ่งส่วบวชไม่ได้ยิ่งมาบวชอีกชายสามโบสหรือสิบโบสก็ไม่สาบแบบนั้นไม่มีใครที่ควรครอบครัสมาคมเพราะจิตใจไม่หนักเนี่ยไม่ดีคนไม่มีสมาธิยิ่งทำาวัญนาภายในถ้าไม่มีสมาธิของใจไม่มีความหนักเนี่ยต่อไปกันใหญ่ พอนั่งเข้าไปก็อยากจะให้มันสงบอยากให้มันพ้นทุกมีแต่ความอยากพอนั่งไปนั่งไปความเจ็บปวดเหนื่อยหิวเกิดขึ้นนิดหน่อยก็มีมีการอดการทนเอาละวันนี้วันใหม่ยังจะเอามันทําอยู่อย่างนั้นจนวันตายก็จิตรวมไม่ได้จนวันตายก็ไม่เกิดปัญญาไม่ละทกิเลสถ้าทําจริงทําจรงมีสมาธิหนักแน่นในจิตในใจหวังผลเกิดขึ้น เป็นเกณจะเร็วจะช้าเรื่องของมันจะเกิดขึ้นเรานั่งไม่เห็นผลอะไรจะไปยอมนอนไม่ยอมมันถ้าหากไม่เกิดอัศจรรย์อันหนึ่งอันใดขึ้นเราจะไม่ยอมทักผ่อนถ้าตั้งมั่นอย่างนั้นทำกันรจริงๆมันเห็นผลจิตมันสู่สติสู่ปัญญาไม่ได้เพียงแต่เรายอมเสียสละตายเท่านั้น ทำกันจริงๆริงธรรมะยอดเกิดขึ้นเห็นขึ้นสิ่งที่ประเสริฐ <c oughs> เนื้อตายสาพวงตายหรือกลัวทุกข์ไม่มีวันที่จะท่ามตายไปได้ไม่มีวันที่จะท่ามทุกข์ไปได้เพราะกลัวแล้วเพรามันแสดงอากาศกิริยาท่าทีนิดหน่อยก็กลัวมันนั่นก็เลยบางทาบัญชาเอาทำนิดนิดหน่อหน่อยสี่นาทีห้านาทีก ว, ว่านานเหลือทนแล้วมันเป็นแบบนั้นแต่นั้นพวกเราท่านเชื่อฟังเหงื่อของกิเลสปัญหาจึงติดหล้อง เปิดตาอยู่ในโลกด้วยมาถ้าหากเชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้ามีวันมีเวลาที่จะขํามเจเลสัญหาไปได้จะเห็นความถูกความสบายความเหนือตายของตัว <c oughs> ฉะนั้นการทําสมาธิหรือสมาธิจึงเป็นของดีไม่ลาสมัยถึงแม้พระพุทธเจ้าบัญญัติทรงบัญญัติเอาไว 2, ้สองพันหร้อยกว่าปีก็ไม่เหมือนธรมรมนูญของไทยเยอรัฐบาลนี่มานั่นไม่เหมาะสมเปลี่ยนใหม่รัฐบาลนั่นมา ่อนนี้ไม่เหมาะสมเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยผลที่สุดเลยไม่มีเวลาจบเวลาสิ้นแต่ศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ไม่เป็นอย่างนั้นคงเส้นคงวาเสมอมาไม่มีที่ไหนที่จะแก้ไขไม่มีที่ไหนที่จะเพิ่มเติมพราะมันสมบูรณ์มันดีมันวิเศษถ้าหากเราพี่นี้พิจารณาตามธรรมะของพระพุทธเจ้ามันดีอย่างนั้นปัญญาก็เหมือนกัน คนมีปัญญาเท่านั้นที่จะทำอะไรถูกต้องแม่นยารอบคอบไม่เสียหายคนที่ไม่มีปัญญาไม่ว่าจะทาไรทำนาทาสอยหรือจะทำอะไรทั้งหมด ม, มีคนไม่มีปัญญาจะทำไม่ถูกต้องและทำไม่ดีเท่าที่ควรฉะนั้นคนมีปัญญาจึงได้รัดได้เสียของคนอื่นเสมอไป <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ยังไม่เอี่ยมไม่มีอะไรล่าสมัยคืามทำปากของคนพูดคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นคือล่าสมัยเป็นไปเพื่อความเสื่อมความเสียทําให้ตัวของตัวเองเดือดร้อนวุ่นวายทํ า, าทให้โลกทั่วไปเจร้าหมองเสียหายไม่ใช่ศีลทำคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้คนเสียหายคนเท่านั้นที่ไปทําตัวของตัวให้เสียหายมรรคผลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ถ้ามีบุคคลตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอยู่เมื่อไรถ้าอารหันต์ไม่ขาดจากโลกนี่ก็เป็นความจริงแต่เขาไม่เห็นเขาให้เป็นในตัวของเขาเขาก็ไม่เชื่อจะเห็นเป็นพระอรหันต์เป็นแรงเป็นกาเหาะไม่เขาดูเขาจึงจะเชื่อนั่นก็แรงก็กาทําไ ม, ไ, ม, ไ, มไปในเวลาไปไหว้แรงกา ดำดินได้ก็มีผลบางประเภทบินบนได้มันก็มีแต่มันมีกิเลสอยู่ในใจมันไม่มีอะไรที่จะปะดิดเสริมวิเศษให้ถ้ามันหมดกิเลสในใจเอาเธอจะเป็นหญิงเป็นชายก็าตามจะรูปร่างฟางตัวแม่สวยงามก็สั่งขอให้หมดกิเลสตัณหาอยู่ภายใ น, ใ, นใจมันจะสุขใจมันจะสบายใจจะไม่นละเสริญเยินยออะไรท่านก็ไม่มีทุกข์เพราะใจของท่านสุข ละกิเลสตัณหาค่ะนี่เราไม่เคยเห็นเคยเป็นพูดถึงธรรมะปฏิบัติพูดถึงมรรคถึงผลเราไม่เคยเกิดเคยเป็นเคยเห็นเคยรู้ก็เหมือนกันกันกบเอาหลอดส่องไปให้ไฟมันจินนอะ่ะมันไม่เคยจิน้นพอเอาไปให้มันก็ไม่มีใจที่อยากจะกิน้นในเกี่ยวข้องถ้าเอายาไปให้หูวิ่งตามทํานองนั้นพวกเราท่ันก็ทํานองเดียวกัน มันเคยจะแต่เรื่องอยาบอยากโลกโลกมันไม่เคยเห็นอาจเขียนคําในจิตในใจมันจึงไม่มีการผลใจไม่มีการอยากจะประพฤติปฏิบัติถ้าจะเชื่อฟังเรื่องของตัวอยู่อย่างนั้น mm. ก็ไม่มีวันมีเวลาพระพุทธเจ้าจะเกิดตายเกิดตายกี่พระองค์เราก็คงเป็นคนโงค่คนเข่าอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเราต้องสอนใจของตัวเองให้ตั้งหน้าตั้งตา รักษาศีลบำเพ็ญสมาธิมีปัญญาแก้ไขกิเลสตัณหาเพื่อบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างนั้นแต่นั้นขอพวกเราท่านสิเดื อ, อุตสาพยายามมาศึกษาฟังธรรมะจงตั้งหน้าตั้งตารักษาจิตทงตนให้อยู่ในขอบในเขตให้มีศีลมีสมาธิปัญญาตามความสามารถที่ตัวของตัวจะทาได้ เสืบูชาพระราตนาใจเมื่อทุกท่านได้กระทําบําเพ็ญอย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธศาสนาจะมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังทำสี่บรรยายไปนี้จงนําไปพิจิพิจารณาดูแล้วสังหน้าสัางตาประพฤติปฏิบัติรักษาต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขกายสุขใจการอธิบายธรรมเหม็นว่าพอสมควรเียเวลาเพรยุรติเพียงแค่นี้เอวัง